วิธีคิดแบบที่6วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกวิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกหรือพิจารณาให้เห็นครบทั้งอาศะทัตอธีนวะและนิสรณะเป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งซึ่งเน้นการยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นนั้นเป็นอยู่ทุกแง่ทุกด้าน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 สมควรและดีจริงอัศทะแปลว่าส่วนดีส่วนอร่อยส่วนหวานชื่นคุณคุณค่าข้อที่น่าพึงใจอาธินวะหรืออาธินกแปลว่าส่วนเสียข้อเสียช่องเสียโทษข้อบกพร่อง นิสรณะหรือนิสอนแปลว่าทางออกทางรอดภาวะหลุดรอดปลอดพ้นหรือสลัดออกได้ภาวะที่ปลอดหรือปราศจากปัญหามีความสมบูรณ์ในตัวดีงามจริงโดยไม่ต้องขึ้นต่อข้อดีข้อเสียไม่ขึ้นต่ออัศธาและอาทีนวะของสิ่งที่เป็นปัญหาหรือภาวะที่สลัดออกมานั้นการคิดแบบนี <S <S ้ <S <S <S <S มีลักษณะที่พึงย้ำสองประการประการแรกการที่จะชื่อว่ามองเห็นตามเป็นจริงนั้นจะต้องมองเห็นทั้งด้านดีด้านเสียหรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆไม่ใช่มองแต่ด้านดีหรือคุณอย่างเดียวและไม่ใช่เห็นแต่โทษหรือด้านเสียอย่างเดียวเช่นที่ชื่อว่ามองเห็นกามตามเป็นจริงคือรู้ทั้งคุณและโทษของกาม เน้นอีกว่าไม่พึงเข้าใจความหมายของการแคบๆอย่างสามัญในภาษาไทยขอทำความเข้าใจตัวอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งเห็นชาวบ้านก็ทักทายถามสุขทุกข์ของเขาและครอบครัวของเขาถ้าไม่ถามด้วยเมตตาแต่มุ่งให้เขาชอบใจแล้วนิมนต์อยู่รับการอุปธรรมบำรุงเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าปราศัยเพราะอยากได้กาม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 เช่นพระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงทราบแจ่มแจ้งว่ากามมีข้อเสียมีโทษมากมายแต่ถ้ายังไม่ทรงเห็นนิสรณะแห่งกามก็ไม่ทรงยืนยันว่าจะไม่เวียนกลับมาหากามอีกนิสรณะในที่นี้คือปีติสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามภิกษุทั้งหลายก่อนสำมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ อย่างมิได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่าอะไรเนอคืออสาทะคือส่วนดีในโลกอะไรคืออธินวะคือส่วนเสียอะไรคือนิสรณะคือทางออกเรานั้นได้มีความคิดว่าความสุขความช่ำชื่นใจที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆในโลกนี้คือส่วนดีในโลกข้อที่โลกไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่คือส่วนเสียในโลกภาวะที่บำราชันธราคะเป็นที่ละชันธราคะในโลกได้คือนิพพานนี่คือทางออกในโลกภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาอสาทะของโลกอันใดเป็นอสาทะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอสาทะในโลกมีเท่าใดอสาทะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาอาทินวะของโลกอันใดเป็นอาทินวะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอาทินวะในโลกม BLACK ีเท่าใดอาทินวะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหานิสระณะของโลกอันใดเป็นนิสระณะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้วนิสระณะในโลกมีเท่าใดนิสระณะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอสาทัของโลกโดยความเป็นอสาทะซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะและซึ่งนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะตราบใด ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายถ้าอสาท า, าจักมิได้มีในโลกแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะอสาทะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าอาทินวะ จากมิได้มีในโลกแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะอาธิ น, น hmm วะ ใ, ในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลกถ้านิสรณะจากมิได้มีในโลกแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกได้จากโลกแต่เพราะนิสรณะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลาย สิงสระดออกจากโลกได้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงยังไม่รู้จักประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอสสาทะของโลกโดยความเป็นอสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะตราบใดตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออกไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดนไม่ได้แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอสาทะของโลกโดยความเป็นอสาทะซึ่งอาทีนวด้วยความเป็นอาทีโนวะและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจะสลัดออกไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ได้ด้วยจิตใจไร้เขตแดน ภิกษุ <mister ius> ทั้งหลายสมณะทั ah ้งหลายก็ดีพรามทั life. ้งหลายก็ดีเหล่านึ่งเหล่าใดยังไม่รู้ชัดซึ่งอสาทะของโลกโดยความเป็นอสาทะซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะสมณะหรือพรามเหล่านั้นก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะทั้งหลายยังยอมรับไม่ได้ว่า เป็นพรามในหมู่พรามทั้งหลายและท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันซึ่งอัฏถะแห่งความเป็นสมณะหรือซึ่งอัฏถะแห่งความเป็นพรามภิกษุทั้งหลายก่อนสำโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังมิได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่าอะไรหนอ คือส่วนดีของรูปอะไรเป็นส่วนเสียอะไรเป็นทางออกอะไรคือส่วนดีของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือส่วนเสียอะไรคือทางออกเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัด ต, ตามเป็นจริงซึ่งอาสาทะของอุปาทา น, นขันห้าเหล่านั้ น, โ ด, น, าานโดยความเป็นอาสาทะซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะและซึ่งนิสรณะ โดยความเป็นนิสรณะตราบใดตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุจระสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายสมณะทั้งหลายก็ดีพรามทั้งหลายก็ดีเราหนึ่งเราใดไม่รู้ชติตามเป็นจริงซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียและซึ่งนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักชื่อว่ารู้เท่าทันกามทั้งหลายเองรู้เท่าทันในที่นี้คือปริญญาข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักชื่อว่ารู้เท่าทันกามทั้งหลายเองหรือจากชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น ยอมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนสมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่านึงเหล่าใดยอมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดีซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียและซึ่งนิสระณนะโดยความเป็นนิสระณนะข้อที่สมณะหรือพรามเหล่านั้นรู้เท่าทันกามทั้งหลายเองหรือจากชักจูงผู้อื่น ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายอะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลายความสุขความช่ำชื่นใจที่เกิดขึ้นอาศัยกามมาคุณห้านี้คือส่วนดีของกามทั้งหลายอะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลาย กองทุกที่เห็นประจักษ์อยู่เองกองทุกมีในเบื้องหน้าอะไรคือนิสรณะแห่งกามทั้งหลายภาวะบัมรา ช, ชนธราคะเป็นที่ละชนธราคะในกรมทั้งหลายได้คือนิพพานนี่คือนิสรณะแห่งกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมณสิการอยู่ซึ่งกามทั้งหลาย จิตไม่ลั่นไปไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทไม่น้อมดิ่งไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนณสิการเนฆา ม, มะจิตยอมลั่นไปยอมเลื่อมใสยอมแนบสนิทยอมน้อมดิ่งไปในเนฆา ม, มะจิตของเธอนั้นเป็นอันดำเนินไปดีอบรมดีแล้วออกไปได้ดีหลุดพ้นดีแล้วไม่เกาะเกี่ยวแล้วกับการรมทั้งหลาย อาสวะความคับแค้นเดือดร้อนเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจจัยเธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะความคับแค้นความเดือดร้อนเหล่านั้นเธอจะไม่เสวยเวทนานั้นนี้เรียกว่านิสรณะแห่งกามทั้งหลายเรานี้เองรังก่อนเมื่ อ, อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ อ, อิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้าบำรุงบำเรอตนต่อมาเรานั้นทราบตามเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดขึ้นซึ่งความดำรงอยู่ไม่ได้ซึ่งส่วนดีซึ่งส่วนเสียและซึ่งทางออกของกามทั้งหลายจึงละ ก, กา ม, มาตัณหาบรรเทาความเร่าร้อนกามปราศจากความกระหายมีจิตสงบภายในเป็นอยู่ เรานั้นมองเห็นสัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาชอนชัยถูกความเร่าร้อนกามเร้ารุนเสพกามอยู่เราก็หาไฟทยานต่อสัตว์เหล่านั้นหาพลอยอภิรมในกามเหล่านั้นไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะเราเรื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรม จึงไม่ไฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกอภิรมในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมหานามะก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังมิได้ตรัสรู้เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่ากามทั้งหลายมีอสาทะน้อยมีทุกข์มาก มีความคับค้องมากอาธินววในกามนี้ยิ่งนักแต่เรานั้นยังมิได้ประสบปีติสุขที่ไม่อาศัยกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายหรือปีติสุขอื่นที่ปราณีจิ่งกว่านั้นเราก็ยังปฏิญาณคือยืนยันมิได้ก่อนว่าจะเป็นผู้ไม่วกเวียนมาหาการทั้งหลายแต่เมื่อใดเราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีอาสาทะน้อยแล้วเรานั้นได้ประสบปีติสุขอันปลอดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งปีติสุขอื่นที่พระณี้ยิ่งกว่านั้น <c oughs> เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมหาการทั้งหลาย นี้เป็นตัวอย่างความจากบาหลีพอเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแนวความคิดแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ใช้ได้กับเรื่องทั่ ว, วไปแม้แต่ข้อธรรมะเช่นในปฏิสัมพิทามักกล่าวถึงอสาธะและอาทินวะของอินสี่ห้าองเช่นที่ว่าความไม่ปรากฏแห่งอุทธจาความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนพระ อ, อุทธจารความกล้าวกลา้า เนื่องจากการดำเนินชีวิตโดยไม่ฟุง้งซ่านและการประสบสุขวิหารธรรมอันปราณีตเป็นอัศธาของสมาธิการที่อุทธจักระยังปรากฏขึ้นได้การที่ความเร่าร้อนเนื่องจากอุทธจจะจะยังปรากฏได้ภาวะที่ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาทินวะของสมาธิดังนี้เป็นตน้น ในทางปฏิบัติระดับชีวิตประจำวันโดยมากเป็นเพียงการเลือกระหว่างสิ่งที่มีโทษมากมีคุณน้อยกับสิ่งที่มีคุณมากโทษน้อยสิ่งที่มีโทษมากคุณน้อยกับสิ่งที่มีคุณมากโทษน้อยหรือแม้ด้านิสสระก็มักเป็นนิสสระแบบสัมผัสคือทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นๆ ในภาวะเช่นนี้ก็มีควรลืมใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกคือควรยอมรับส่วนดีของสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนละเว้นและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดซึ่งโทษข้อบกพร่องจุดอ่อนส่วนเสียหรือช่องทางที่จะเสียของสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอาการคิดมองตามความเป็นจริงเช่นนี้ จะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุดมีความไม่ประมาท อ, อาจนำอส่วนดีของสิ่งที่ตนละเว้นมาใช้ประโยชน์ได้และสามารถหลีกเลี่ยงหรือมีโอกาสแก้ไขส่วนเสียส่วนบุกร่องที่ติดมากับสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอานั้นได้ด้วยในการสั่งสอนตัวอย่างแสดงแนวคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกนี้ ก็คือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุบุพิกถาซึ่งเป็นแนวการสอนธรรมะแบบหลักที่ทรงใช้ทั่วไปหรือใช้ประจำโดยเฉพาะก่อนทรงแสดงอริยสัจสีอนุบุพิกฐานั้นกล่าวถึงการครองชีวิตดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันดำรงตนในสุจริตที่เรียกว่าทานและศีล แ, แสดงชีวิตที่มีความสุขความเอิบอิ่มร่างพร้อมที่เป็นผลของการครองชีวิตดีงามเช่นนั้นเรียกว่าสักคะหรือสวรรค์จากนั้นแสดงแย่เสียค้อบกพร่องโทษความไม่สมบูรณ์เพียงพอของความสุขความร่างพร้อมเช่นนั้นเรียกว่ากามาทินวะคือโทษของกามและในที่สุด แสดงทางออกพร้อมทั้งผลดีต่างๆของทางออกนั้นเรียกว่าเนคขมานิสังสัเมื่อผู้ฟังมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสีต่อท้ายเป็นตอนจบ